ท่านฟังจดจ่อรอคอยแล้วดิฉันก็เลยจะไม่ให้ช่วงนี้ช้านะคะก็ขอเชิญทุกท่านได้พบกับพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิปุญโญใ น, โนช่วงถามโลกตอบธรรมด้วยกันเลยคะ่ะนวัตการกคะทัานคะจะเดินผ่ า, าต่อเลยค่ะท่านกําลังกสนุกมากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงเหตุของการวิวาทค่ะอาจจะสรุปให้ฟังขึ้นสั้นอย่างนี้แล้วจะเพิ่มเติมให้อีกหน่อยหนึ่งคือเหตุ ข, ของการวิวาสเอาอย่างง่ายๆก่อน2อย่างเพราะการเป็นเหตุค่ะแล้วคนอยากในการมอย่างที่สอง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เสพกรามเนี่ยก็จะเป็นเพราะทิฏฐิเป็นเหตุความเห็นไม่ตรงกันพอมีประเด็นเรื่องกามกับทิฏฐิเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ามีการเกิดมีชาติมีตัวตนเราอยู่ที่มีชาติเนี่ยเพราะว่าอะไรเป็นเหตุก็เพราะว่ามีภพมีบ้านเรือนนี้อยู่มีโลกนี้อยู่ที่มีภพเนี่ยก็เพราะว่ามีอุปทานคือการยึดติดเนี่ยมันเลยมีการภพนี้เกิดขึ้นใช่ไหมมีภพเนี่ยก็เพราะว่ามี อุปทานการยุติมีอุปทานเนี่ยก็เพราะว่ามีตัณหาพระรชาบอกว่าสาเหตุของตัณหาคือเวทนาเวลาเราเจอเรื่องอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีเวทนาความชอบความไม่ชอบพอมีความชอบความไม่ชอบทําให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาเนี่ยจึงเกิดการแสวงหามีการแสวงหาจึงมีการได้มีการได้มีการโปร่งใจรักพอมีการปร่งใจรักก็จะมีความกําหนัดด้วยความพอใจมีความกําหนัดด้วยความพอใจก็จะเป็นเหตุทําให้มีความสยบโมเมา แล้วก็ตามมาด้วยความจับอกจับใจความตรรนีความหมวงกันเรื่องราวที่เกิดจากการหมวกันทั้งหลายแหล่าการแบ่งเป็นฝักเป็นฝา่ายพระเจ้าสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ที่คนวิวาทกันเนี่ยก็เพราะเหตุหกอย่างนะนี่คือพระเจ้าสรุปเหตุหกอย่างคืออะไรเพราะว่าเป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธไม่เคารพยำเกรงแม้ในพระสัตร์แม้ในพระพุพะทธธรรมประสงคนะ์อันที่สองคือมีความลบหลู่มีความตีตนเสมอท่าน อันที่3เพราะว่ามีความริษยาและมีความตรณีอันนี้คืออิสาและมัจฉริยะที่เรากล่าวไปเมื่อติ๊กแล้วอันที่4ี่ก็คือเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้มีมายาอันที่5เนี่ยเป็นผู้ปรารถนาลามกและมีความเห็นผิดปรารถนาลามกในข้อนี้ก็คือว่าเห็นแก่กามใช่ไหมมีความเห็นผิดก็คือทิฏฐิที่ผิดแล้วข้อที่6กเนี่ยก็เป็นผู้มีความเห็นเอาเองมีความเชื่อผิวเผยมีความถือที่เป็นมีความถือรั้นสละคืนได้ยาก เป็นผู้ว่ายากมันงั้นเถอะค่ะคือพระชาสรุปไว้ยอย่างนี้มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6อยา่างค่ะสลัดคืนได้ยากใช่มู ล, ลเหตุแห่งการวิวาทนะคะใช่เป็นพระสูตรหนึ่งเลยเป็นพระสูตรหนึ่งเลยแต่ละกับพระอานุนค่ะคือสรุปที่พระมหากจารณ์พูดสรุปสายปฏิจจสมุปาทที่ได้ทรงตรัสไว้อย่างละเอียดพิสดารใช่หมค่ะเอาง่ายๆ6อย่างนี้แหละค่ะแล้วให้วิธีแก้ปัญห า, าไว้ด้วย อ๋อคะ่ะเอาเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุในอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตที่จะให้ท่านขยายความนิดหนึ่ง เ, ๆๆเพราะว่าอย่างกับมักโกรธไม่เคารพยาเกรงแม้ในประพุทธประธระรมพระสงค์เนี่ยย<ช>ังเข้าใจง่ายนะคะลบหลู่ตีตนเสมอท่านนี่ก็เข้าใจง่ายอิจฉ า, าตรนีก็อธิบายกไปแล้วมากๆเมื่อครั้งที่แล้วโอ้อวดมีมานยาอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากปราถนาลามกเมื่อกี้ท่านอธิบายไปนิดหนึ่ง คือเรื่องของกามเพราะกามเป็นเหตุเพระกามเป็นเครื่องเก่อพราะกามเป็นเครื่องบังกรารให้กระทาเป็นไปเพราะกามนั่นเดียว ค, คือความอยากทางต่า ง, างหูจมูกลิ้นและกายค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องทางเพศอย่างเดียวทั้งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็รวมถึงเรื่องชื่อเสียงด้วยเงินทองด้วยเกีดยรติยศหน้าที่อยู่ในกามตรงนี้หมดค่ะแล้วพอมาถึงเห็นเอาเองเชื่อผิวเผิน ดื้อรั้นสลัดคืนนีคะท่านคะเห็น<พ> <He en S 2> เอาเองนี่ยังเอารู้ว่าคิดเอาเองอพวกนี้เขาเรียกอะไรคะอยู่ในความหลงป่าคะ <c oughs> มีโมหะ <c oughs> เป็นพวกที่อยู่ๆก็มีความคิดแบบนี้ขึ้นมา<อ>เป็นพวกที่เาขาเรียกว่ามีอนุชาอาวิชานุใสเป็นเป็นเป็นอุ ป, ปนิสยัย อ, อ่ะคืออาจจะเป็นพวกที่คิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้เอาเองเห็นเอาเองนั่นเองทึ่ทักเอาเองค่ะท่ทักเอาเองเชื่อผิวเผิน ไม่ฟังความให้ดีเป็นคนหูเบาเชื่อผิวเผินคือด่วนสรุปด่วนสรุปนั่นแหละดื้อรั้นดื้อรั้นสละคืนได้ยากเนี่ยคือเป็นผู้ว่ายากบอกสอนยากนะเป็นผู้ที่ไม่ฟังความคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นค่ืออันนี้เป็นเหตุมูลเหตุอันหนึ่งที่ทําให้พระธรรมนี้ตั้งอยู่ได้นานคือภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ จึงทําให้เกิดปัญหาความวิวาสขึ้นค่ะทีนี้ไปต่อได้แล้วคะท่านค่ะอันนี้คือมูลเหตุแห่งการวิวาททั้งหมดเลยนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องเวรได้ตรัส ก, กับพวกภิกษุเมืองโกสัมพีที่วิวาทกันนะบ้างด้วยด้วยเรื่องของอาบัติเล็กๆน้อยๆนีน่แหละว่าความเห็นไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยขนาดคนไพร่คนพานเนี่ยเมื่อเมื่อแตกกันเป็นหมูเนี่ยก็ ยังสามารถสามัคคีกันได้ในการที่จะทำความชื่วได้ <Okay. S 1> แล้วทําไมพวกบัณฑิตอย่างพวกเราเนี่ยเป็นบัณฑิตลืมตัวจะพูดอะไรก็พูดอย่างนั้นพูดพลาดไปอย่างนั้นไม่ได้นึกถึงกิเลสที่เป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะกันไหม <Okay. S 1> แล้วพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าถ้ายังผูกใจเจ็บนะถ้าเธอยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเราได้รักทรัพย์ของเราเวรของเธอนั้นย่อมระ ง, งับไม่ลง hmm. นี่เพราะการผูกเวร ทีนี้วิธีแก้ทํำยังไงวิธีแก้เอาเรื่องออเรื่องของอธิบายถึงสายความเป็นไปทาจิตก่อนเนี่ยที่พุทธเจ้าพูดถึงาสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่บอกว่าเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาเพราะมีการสแสวงหาจึงมีการได้ เ, เราต้องไปดับตรงตัณหาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหา เพราะความดับไปไม่เหลือของตัณหาจึงมีความดับเป็งการสแสวงหาเพรสประเด็นคือว่าเรามีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเขาพูดมาคำหนึง่งวับวั บ, ว บ, วบเข้าหูเรามีภาษาเกิดขึ้นที่หูใช่ไหมแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นที่ใจหรือที่หูก็แล้วแต่ทํำยังไงให้ให้เวทนานี้ไม่ไปเป็นตัณหาต่อ น, นี่คือวิธีหนึ่งะจะขออนุญาต หยุดตรงนี้นิดได้ไหมคะเพื่อที่จะพูดกับท่านผู้ฟังที่ อ, อยากที่จะวิเคราะห์ทางจิตตัวเองได้ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดหรืว่ากว่ามันจะเกิดเวทนาคือความอยากไอความชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะมีพัฒนาการเราไม่ต้องไปต้นสายที่พูดเพราะไม่รู้ต้นตรงไหนต้นตรงไหนปลายใช่ไหมคะเ อ, เอาแค่ว่าได้ยินเสียงก็ได้ค่ะเมื่อมีมีนามรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใคือมี อ, อายตนะของเราเนี่ยที่ ถ้าเราไปเปิดหูรับฟังฟังในสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็จะเกิดเวทนาขึ้นอย่าง <lect ern S 1> ทีก็เกิดเวทนานะคะ <ฮ lair. S 2> หรือเราเอาตาไปดูดูในสิ่งที่สวยงามเราเกิดเวทนาคือความชอบ <ưởng> อันนี้คะ <nogle> ่ะเพื่อที่จะได้หยอดหยอดให้กับท่านผู้ฟังได้รู้ว่าศึกษาเถอะค่ะสำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทการทางจิตตัวเองสนุกมากเราจะวิเคราะห์ตัวเราเองได้อย่างสนุกทุกวันค่ะเชิญกันทั้แล้วก็มีเวทนาอย่างไรไม่ให้มีตัณหา มีเวทนาอย่างไรไม่ให้มีตัณหาสําหรับพระอาหารหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบราอรันนี่มีสองประเภทคือพระอาหารหันต์ที่เป็นประเภสะปปทสัพพะทิเศสนิพานธาคือบรรลุอาหารหันต์แล้วเนี่ยก็ยังมีเวทนาอยู่อันนี้คือท่านมีเวทนาแต่ท่านไม่มีตัณหานึกออกไหมประเภทที่2คืออนุปปัตติเศสนิพานธาคือมีไม่มีเวทนาโด้วยซ้ำก็คือดับก่อนเวทนาเกิดขึ้นโดยซ้ําเพราะว่าสามารถควบคุมจิตได้อย่างดีมากไม่ให้เกิดผัสสะขึ้น เพราะไม่มีภาษาจึงไม่มีเบญทนาเราไม่ต้องยกตรงนั้นเราค่อยอธิบายในบท ต, ต่อไปเอาแค่ว่าคนธรรมดาเนี่ยฟังเรื่องอะไรที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเอาเรื่องที่ไม่ชอบใจเนี่ยฟังแล้วมันจี๊ดเนี่ยทำยังไงไม่ให้เกิดตัณหาถ้าฝึกตรงนี้ได้ไอ้ปัญหาต่างๆการวิวาทการเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันจะไม่มีอันนี้ประการที่1จะอธิบายให้ฟังต่อไปนะในรายละเอียดเอาเอาเอาประการที่2ก่อนวิธีแก้ วิธแก้ประการที่สองที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยคือการธรรมชาติใช้คํานี้ดีกว่าว่าล็อบบี้พระพุทธเจ้าเนี่ย <Lob by. S 2> พูดถึงอย่างนี้ว่ า, ายกตัวอย่างของภิกษุเนี่ยนะ <c oughs> ที่มีการามีการทะเลาะวิวาทกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระงรับเนี่ยโดยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าขันแรกเนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของธรรมะเนี่ย ที่เป็นไปโดยอัฏฐะเป็นไปโดยพญานชนะเนี่ยโดยอัฏฐะก็ไม่ตรงโดยพญัญชนะก็ไม่ตรงเนี่ยแยกเป็น2ฝ่ายละ <azing S 1> <ๆ>ให้คนที่เห็นปัญหานี้เข้าไปหาฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนก็ได้ที่สามารถที่รู้ว่าฝ่ายเนี่ยเป็นคนว่าง่ายก่อนฝ่ายไหนว่าง่ายกว่าให้เข้าไปหาฝ่ายนั้นในฝ่ายนั้นคนไหนว่างง่ายกว่าให้เข้าไปหาคนนั้นแล้วอธิบายให้เขาฟังว่า อ๋อที่เราทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องธรรมอย่างนี้เรื่องวินัยอย่างนี้อัตถะไม่ตรงกันอย่างนี้พยัญชนะไม่ตรงกันอย่างนี้อธิบายให้เข้าใจกันนะแล้วก็บอกว่างั้นท่านจงรู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วเราอย่าทะเลาะ ก, กันเลย <Okay. S 1> ได้พวกเพิ่มหนึ่งคนสองคนนี้พากไปหาคนต่อไปที่ว่างง่ายที่สุดที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วพูดอย่างนี้เหมือนเดิม <Okay. S 1> ขยายกลุ่มไปเรื่อยๆาคน3คนนี้พาไปหาคนต่อไป ที่ว่าง่ายถัดมาจนกระทั่งพวกเพิ่มขึ้นที่ว่าไม่มีความทะเลาะวิวาทกันอันนี้คือวิธีการลัมบีของพระเจ้ามมันก็คล้ายๆวิธีทางโลกเหมือนกันนะคะอ่านี้สามัคคีธรรมเนาะเพียงแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับความขัดแย้งในบ้านในเมืองเนี่ยคล้ายๆปล่อยให้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก<ช>นะคะทีนี้มันลำบากว่ามันเกิดการเป็นหมู่เป็นมวลขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีการถามหา การเป็นกลุ่มในการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวิธีพระพุทธเจ้านี่ตัดไฟแต่ต้นลมเลยล็อบบี้ <Lob by, S 2> เลือกล็อบบี้คนว่าง่ายก่อนก่อนอ๋อคนว่าง่ายก่อนเอาเป็นพวกแล้วก็แสดงให้<ค>เขาเห็นถึงความถูกความผิดอะไรตัวอะไรผิดเอาว่าไปนําถูกว่าไปนําผิดแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าอย่าวิวาดกันเลยค่ะนะไม่ดีหรอกแล้วก็พาไปหาคนที่ว่าง่ายต่อไปวิธีล็อบบี้คือวิธีที่2องเพระพุทธองค์มีภาษาธรรมะใช่ไหมคะวิธีล็อบบี้นะคะคําที่ล็อบบี้เนี่ย พระทีเจ้าจะพูดไว้นี่อีกนัยยะหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่สี่วิธีที่แก้ไขปัญหนิมนต์ขั้นต่อเลยค่ะ อ, อย่างที่สามวิธีที่สามที่พระที่เจ้ า, าพูดถึงการแก้ปัญหานี่คือการให้ระ ง, งับตรงเวรระ ง, งับตรงเวรความการถูกเวรเนี่ยเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรไม่จองเวรค่ะพระที่เจ้าพูดอย่างนี้เคยยกตัวอย่างของ ของสมัยพระเจ้าพรหมทัตพูดกับภิสุเมืองโกสัมพีนี่แหละว่าขนาดพ่อเขาไปฆ่าลูกเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไปฆ่าราชาอีกฝั่งหนึ่งราชาอีกฝั่งหนึ่งมีลูกอยู่ลูกคนเนี้ยพ่อสั่งว่าลูกอย่าผูกเวรเลยใช่ไหมลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตคืนก็ไม่ทําพระเจ้าสรุปให้พระเมืองโกสัมพีเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูสิขนาดเจ้าชายองค์นี้มีอํานาจอยู่ในมือมีมีดอยู่ในมือ แต่เขาสามารถละการผูกเวรได้แล้วทําไมพวกเราจะทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าวิธีการละเวรเนี่ยให้ทําอย่างนี้ว่าพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของเธอย่อมระงับได้คือไม่ผูกใจเจ็บว่าเขามาด่าเรา ไม่ผูกใจเจ็บว่าเขามาทําร้ายเราไม่ผูกใจเจ็บว่าเขาเอาชนะเราได้รักษาเราเวนย่อมระ ง, งับได้ uh huh. นะแล้วให้พิจารณาว่าถ้าเราทะเลาะ ก, กันเนี่ยพวกเราจะแหลกรานเพราะเหตุนี้ถ้าสํานึกตัวได้ความมุ่งร้ายย่อมระ ง, งับไป uh huh. คือทะเลาะ ก, กันเนี่ยจะมีปัญหาเจ็บทั้งคู่ถ้าเห็นปุ๊บก็จะระ ง, งับลงไปได้ค่ uh huh. นะอันนี้คือวิธีที่3คือระ ง, งับตรงตัวเวน ส่วนวิธีที่4เนี่ยเป็นวิธีที่ภิกษุระ ง, งับ <c oughs> ระ ง, งับเรื่องวีวาทกัน <c oughs> คืออธิกรณ์ทั้ง7อย่างวิธีระ ง, งับอธิกรณ์ของพระภิกษุพุทธเจ้าใช้คําว่าอาธิกรณะสมถะทั้ง7อย่างวิธีการระ ง, งับอธิกรณ์ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ที่บอกว่าถึงเรื่องการล็อบบี้เนี่ย <c oughs> พระุทธเจ้าอาจจะพูดไว้ตรงนี้ได้หนึ่งซึ่งอาจจะมาเข้าใจว่าเป็นการล็อบบี้นะก็คือพระพุทธเจ้าใช้คําว่า พระเจ้าใช้คําว่าสำ ม, มุขขาวินัย <Okay. S 1> คือการระงรับพร้อมหน้าก็คือว่าทุกคนมาประชุมกันก่อนประชุมกันเนี่ยพระเจ้าให้มีการชี้แจงว่าเหตุอะไรเป็นยังไงมาจากไหนใครทาอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทั้งฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายที่1นฝ่ายที่2และกรรม ก, การเนี่ยมาอยู่พร้อมหน้ากันนี่คือสำ ม, มุขขาวินัยซึ่งวิธีการระงรับอธิกรณ์ของพระเนี่ยมีทั้งหมด7อย่าง <Okay. S 1> าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ความไม่เข้าใจการเรื่องสีเรื่องอเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องความเห็นดังนับด้วย7วิธีนี้ได้หมดค่ะซึ่งคล้ายๆกับกระบวนการทางกฎหมายที่เราใช้อยู่สมมุติถ้าสารเรื่องคดีเด็กไปขึ้นสารเด็กเรื่องคดีการปกครองไปขึ้นสารปกครองอถ้าเป็นเรื่องคดีความเรื่องความไม่สอดคล้องกันในธรรมวินัยให้ใช้2วิธีคือระ ง, งับพร้อมหน้ากับใช้วิธีโหวตถ้าเป็นเรื่องของอาบาัต ให้ใช้ทำตามรับคือการสารภาพรับความผิดหรือว่าการาด้วยการระงรับการลงโทษหรือการาที่เรียกว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นบาอย่างนี้คื อ, อระเบียบขั้นตอนวิธีการเนี่ยได้บัญญัติไวหมดค่ะบัญญัติไว้หมดสําหรับภิกษุซึ่งถ้าอยากศึกษาต่อเนี่ยไว้โอกาสเหมาะจะได้นำออกมาสนทนานในรายละเอียดพอดีเวลาก็จวนเจียนสําหรับวิธีการ แก้ทะเลาะวิวาทของพระพุทธองค์นี่ได้4วิธีแล้วยังมีอีกนะคะท่านค่ะในรายละเอียดของวิธีแรกที่ว่าจะใช้ได้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังคือเรื่องของมีเวทนาอย่างไรทําให้ไม่เกิดตัณหาค่ะจะได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได้ในคราวต่อไปก็เนื่องในสิค่ะกำลังคิดว่าคงจะไม่ได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามติดตามรับฟังกันไปอีกนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะให้รายละเอียดที่กระจ่างมากยิ่งขึ้นและเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะคะคื อ, อวิธีวิธีอะไรนะคะท่านเมื่อกี้ที่ท่านใช้คาพูดที่จะอธิบายในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะเอาวิธีเกิดเบทนาอย่างไรไม่เกิดตัณหาค่ะคือชอบไม่ชอบอย่างไรไม่ให้เกิดความอยากทำโน่นทหนี่ต่อไปนะคะวันนี้ก็นมาส ก, การขอบพระคุณพระคุณเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะะเ